ไม่มีใครอยากจะถามเดี๋ยวลองถามทางบ้านดูนะเพราะทางบ้านไม่ได้ถามมาหลายวันแล้วเดี๋ยวลองลองเปิดโอกาสให้ทางบ้านใครอยากจะถามปัญหาทางบ้านก็ส่งข้อความเข้ามาได้วันนี้ขี้เกียจพูดรู้จะพูดอะไรให้ทางบ้านถามเข้ามามีไหมตอนตอนนี้ยังไม่มีครับอ ก็ธรรมดาเขาจะต้องรอสามโมงที่สามโมงมันจะมีทางภาษาอังกฤษเข้ามาเลยเมื่อระยะสองวันที่ผ่านมาภาษาไทยเลยไม่ได้ถามคำถามกันอันนี้ก็เลยลองให้ถามถามตอนช่วงแรกก่อนเลยใครอยากจะถามอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะ กําลังติดตามชมอยู่ทางบ้านอาจารย์ในกรณีที่เรานั่งสมาธิจบแล้วเราแผ่เมตตาคือเราจะนึกถึงชื่อแต่และบุคคลบุคคลออกมาอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ชื่อจีนนะบุคคลจีนเราสามารถใช้ชื่อเล่นแ ล, แล้วก็นึกถึงหน้าเขาได้ไหมรมันไม่ได้แผ่เพียงแต่นึกถึงเขาเฉยๆ น, ะนั่นแหะแผ่ต้องส่งเงินไปให้เขาสิ เขาไม่ได้รับอะไรอยากเรานะเวลาเจอเขาก็มีขนมก็ให้เขากินนะมีอะไรก็แบ่งกันแล้วแผ่เมตตาก็ไปไม่ได้แล้วตายไปแล้วนอกจากเขามาหาเราเราก็ต้อนรับเขาถ้าเ็าเป็นผีมาเยี่ยมเราพี่หนูคิดถึงพี่แล้วเกินก็ดีเป็นไงคุยเค้เขาสบายดีหรือเปล่าทักทาย เหมือนกเขาเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไม่ใช่พอเขาเป็นผีโลาพี่อย่ามานะพี่อย่ามาสัพไปสับตาไปเร็วๆนะอย่างนี้มันไม่ได้แผลมันไล่เข้าใจไหมแห่นเมตตาก็คือให้ให้ความรักกับผู้ที่เราต้องการให้เขามีความสุขแล้วก็ม อ, อบความรักให้กับเขา บบปีใหม่เราส่งสอสเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็ส่งสอข ส, สอไปก็ได้ถ้ามีที่อยู่ของเขาถ้าไม่มีที่อยู่เดี๋ยวนี้มีไลน์มีอะไรก็ส่งข้อความไปก็ได้คิดถึงพี่แล้วเกินสบายดีหรือเปล่าอย่างนงี้สบายออเรียกว่าแผ่เมตตามันต้องมีผู้รับไม่ใช่แผ่แบบลอยๆย เขาก็ไม่รู้ว่าเราแผ่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแผลแล้วพอเจอกันก็แยกเคี้ยวใส่กันเวลาเจอใครจะโกรธอย่าไปโกรธเขาเวลาจะโกรธเขาให้ให้อภัยอย่าไปถือสาใครก็ทำอะไรเราทำให้เราโกรธเราต้องให้อภัยเทีเรียกว่าแผ่เมตตาถ้าแผ่ความโกรธมันไม่ได้แผ่เมตตา มันแพ่ความความโหดร้ายทารุณอนยนะเวลาอยู่คนเดียวเขาเขาสอนให้ซ้อมไว้เวลาที่เราอยู่คนเดียวว่านั่งสมาธิแล้วเราบอกสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอันนี้แปลว่าให้ซอ้อมเหมือนนักมวยยังไม่ได้ขึ้นเ ว, เวทีชกต้องซ้อมชกก่อนซ้อมชกกระสอบทราย พอขึ้นเวทีจะได้โชคเป็นพอเจอพอไปพบปะคนจะได้ยิ้มเป็นพอเวลาใครเขาทำให้เราไม่ไม่พอใจก็จะได้ให้อภัยได้อันนี้เป็นการซ้อมเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี้เราไม่ได้แผ่เราสวดสอนตัวเราเองสัเพสตาเอเวลาหงุดหแปลว่าอะไรไม่รู้อีก แผลอะไรก็ไม่รู้เอาเวลาแปลว่าการไม่มีเวรเวรก็แปลว่าเวลาเอเวลาก็แปลว่าไม่มีเวรพระพุทธเจ้าว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าจองเวรกันก็ต่างคนก็ต่างจองเวรจองกรรมกัน <S 1> <S 1> <S เขาด่าเราเราก็ด่าเขาพอเราด่าเขา <S 1> <S 1> เขาก็ตีเราเขาก็ตีเราเราก็ตีเขาพอเราตีเขาเขาก็ฆ่าเรา ถ้าทำอการไม่ให้ไปถึงขั้นที่จะต้องเกิดาการฆ่ากันก็ให้อภัยไม่เป็นไรวิ่งกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีขบกันบ้างอาจจะมีกระทาอะไรที่อาจจะทำให้ไม่พอใจบ้างก็อย่าทึษาขออภัยถ้าอเราทำเขาก็ขออภัยเขาไ่ขอเขามามาขอเขามาก็คืขอขออภัยคนที่ขอ คนที่รับขอเข้ามาก็ต้องก็ต้องให้อภยัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเมตตาทั้งสองฝ่ายเช่นเราเพื่อเดินไปเหยียบเท้าว่าข้างนี้แล้วก็ยกมือว่าขออภัยจ้าคนที่ถูกเหยียบก็ไม่เป็นไรสาธุอย่างนี้นะแผ่เมตตาเอาเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วทุกคนก็จะสงบสบายคนทําผิดพลาดก็สบายใจ คนที่ถูกทำก็ให้อภัยก็สบายใจอันนี้คือวิธีที่เราสวดนี้เพื่อเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาอย่าจองเวนจองกรรมกันให้อภัยต่อกันละกันเอัเอเพศสัตวาสัตว์ทั้งหลายทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามสัตว์ที่หมายถึงสิ่งที่มีชีวิต เช่นมนุษย์เดลฉ า, านเทวดาเปรดผีอะไรนะี่ก็เรียกเป็นสัตวตานสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีผีมาเยี่ยมเรามาขอส่วนบุญก็พรมิในเช้าก็ไปสายบาทิดส่วนบุญมาให้เขาอานี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเอาไม่มีบุญเขามาขอทานเหมือนขอทานขอทานก็มาขอเงิน แต่ดวงวิญญาณเขาไม่ขอเงินเขาขอบุญเวลาเราทำบุญไปเราก็กวดน้ำอุทิศบุญไปให้เขาไปเรียกว่าแผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาให้คนตายก็อุทิศบุญทำบุญคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องที่ตายไปอยากจะให้เขามีความสุขก็ทำบุญแล้วก็อุทิศไปส่งบุญไปอุทิศแปลว่าส่งไป เป็นเราส่งก็ไม่ต้องใช้น้ำส่งใช้กระแสะจิตคือความคิดของเราขอทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าท่านกำลังรอรับส่วนบุญอยู่นี้อยู่ก็ขอให้ท่านได้รับไปเถิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าก็าทําไปเพราะว่าเราทำบุญกันเป็นประจำบุญที่เราทำนี้เราแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้ แต่แบ่งไห้คนที่อยู่ไม่ได้คนที่อยู่อยากจะได้บุญต้องทำเองถ้าบอกเขาเขาอนุโมทนาอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่บุญที่เกิดจากการทำบุญบุญที่เกิดจากการสแสดงความยินดีเป็นบุญคนละอย่างกันกับบุญที่เราเกิดจากการให้ทานไม่เหมือนกัน สับเพสัตตาเวลาหนตุไม่จองเวรกันสับเพสัตตาอบปยาปชาโหตุแปลว่าอะไรไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันก็ไม่ทำร้ายกันใช่ไหอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปรักทรัพย์ของเขาอย่าไปไปแย่งสามีภรรยาของเขาอย่าไปใส่ร้ายใส่ความพูดปดโม้นเท็จให้เกิดความเสียหายกับเขา เรียกว่าอบปยาปชาโหตุถึงแม้จะโกรธเขาก็ต้องให้อาภัยเขาอย่าไปพูดใส่ความให้เขาเสียหายโดยที่เขาไม่ได้เป็นไปตังที่เขาเขาที่เราเกล่าวหาอย่าเบียดเบียนกันเกิ อ, อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายโดยการนักทรัพย์ของเขาโดยการใบ ป, ประพฤติผิดประเวณี กับสามีภรรยาหรือบุตรที่ดาของเขาไม่ไปโกหกหลอกลวงใส่ความใส่ร้ายเขาหรือไม่ฆ่าเขาเมื่อกีในี้แปลว่าอัปบบยาปัจชาหหตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาหงหตุขอให้สาธ์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจ เห็นเขาไม่สบายก็บอกขอให้หายเร็วๆนะไม่ใช่สมน้าหน้าขอให้มึงตายเห็นเขาไม่สบายก็บอกขอให้หายเห็นเขาทุกข์ใจก็ขอให้เขาหายจากความเศร้าโศกเ ส, สียใจไม่อยากจะให้เห็นเขาไม่สบายไม่อยากให้เห็นไม่อยากเห็นเขาเสีย อ, อกเสียใจถ้ามีอะไรพอจะช่วยทําให้เขาหายทุกข์ได้ก็ช่วยไปพาเขาไปหาหมอ เขาไม่มีปัญญาจะไปหาหมอไปโรงพยาบาลพาไปยอมออกค่าใช้ใจ่ายใาไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาโรคภัยแค่จ็บให้กับเขาหรือถ้ามียาก็เอาย า, ามาให้เขากินเห็นเขาท้องเสียมียาก็เอาย า, ามาให้เขากินเรียกว่าอันนี้ก็เมตต า, าแบบหนึ่งโดยเมตตาคือปรารถนาให้เขาไม่ ให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจไม่ให้เขามีทุกข์กายทุกใจแล้วขอ้อสี่สุขีอัตนานปาลิหะรันตุขอให้เขามีความสุขอวิธีให้เขามีความสุขก็ให้เงินทองก็เลยเปลาให้เงินทองเขายิ้มยิ้มแป้นเลยมีเงินทองมีขนมมีอะไรก็มีของที่เราไม่ใช้แล้วเขาใช้ได้ ก็อยากได้เห็นก็อยากได้น้องก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เขาไปเขาก็ดีใจเขาก็มีความสุขแบ่งความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเมตตาอันนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทาไม่ใช่นั่งสมาธิเสร็จก็สวดสเปสัปตาเอาเวลาโหนตุมันไม่ไม่รู้ใครสวดให้ใคร สวนมันก็ไม่ได้คนฟังก็ไม่ได้นะก็ได้แต่เสียงสวดมันต้องมีการกระทำทางกายวาจาใจถึงจะเรียกว่ามีการแผ่เมตตาต้องมีการรับด้วยต้องมีผู้รับด้วยไม่ใช่อยู่บ้านไปด่าเขาแล้วกลับมาบ้านกลับมานั่งขออภัยคนเดียวเขาไม่รู้เรื่องว่าเราขออภัยแล้วเราทำให้เขาโกรธเราก็ไปขออภัยเขาสิไปที่บ้านเขา เอาดอกไม้ทูบเทียนไปก่าบเท้าว่าเท่าไหร่ตรงนี้นะเรียกว่าแผ่เมตตาชัดแจ้งหรือยังชัดแจ้งหรือยังผ่ากันมาไม่รู้กี่กี่ปีแล้วห <c oughs> ลงแผ่กัน <c oughs> พอเวลาเจอกันก็ด่ากันแยกเคี้ยวใส่กันอแก่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมแก่งแย่งชิงดีกันหรือเปล่า <c oughs> แย่งนู่นแย่งนี่กันหรือเปล่า ด่ากันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่านี่ไม่ใช่วิธีแผ่เมตตาเวลาอยู่คนเดียวสวดสัพเพสัตตก็ไม่ได้แผ่เวลาเจอกันก็ด่ากันทะเลาะกันหน้าบึ้งใส่กันอันนี้ก็ไม่ได้แผ่เวลาแผ่ต้องเจอกันทักทายกันพี่สบายดีเหรื อ, อเป็นยังไงถามถามสารทุกข์สุขดิบยิ้มให้กัน บางทีไม่ต้องพูดอะไรเป็นแต่ยิ้มเขาก็สุขแล้วเห็นเรายิ้มให้เขานี่เขาก็แฮปปี้แล้วมม่ใช่เจอหน้ากันก็บึง่งตึงเนี่ยมันกิริยามันบอกมันบอกความรู้สึกทางใจว่ารู้สึกอย่างไรถ้ายิ้มนึ่สแสดงว่ามีการเมตตามีไมตรีจิตนะถ้าบึง่งตึงนี่สแสดงว่า โกรธละเกรดละดังนั้วขอให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตารู้สึกชาวผู้เรานี่โง่ขึ้นไปทุกวันทุกวันนะของง่ายๆเรื่องแผ่เมตตายังแผ่ไม่เป็นอย่างไรยังไปหลงคิดว่าแผ่เวลาแผ่นั่งคนเดียวเราก็มักจะหลงไปไปไปปนการแผ่เมตากับการอุทิศบุญอีก นั่งสมาธิเสร็จอยากจะอุทิศบุญอีกเอาบุญที่ไหนมาอุทิศอ่ะใช่ไหมนั่งสมาธิจิตยังไม่สงบมันจะได้บุญยังไงอยากจะได้อยากจะอุทิศบุญก็เนี่ยทําทานเนี่ยทําทานปั๊บมันได้บุญแล้วสำเร็จแล้วทําแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมานละอะนี่แหละสิ่งที่เราอุทิศบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจนี่เอง แต่นั่งสมาธิจิตยังไม่อิ่มยังไม่สุขเราจะอะไรไปนั่งแล้วมีกับมีอาการการู้สึกอึดอัดอนี้จะจะแผ่ความอึดอัดไปให้เข้าเลยนั่งสมาธิมันต้องมีความสุขก่อนถึงจะแผ่ความสุขนั้นได้ซึ่งยากคนที่จะได้สมาธินี่หายากคนที่นั่งสมาธิมีเยอะนั่งแต่นั่งแล้วยังไม่ได้ผลเหมือนกับ คนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยมีปลูกเยอะแต่ต้นไม้ที่ปลูกมันมันมันไม่โตมันตายซะก่อนนี่มันปลูกแล้วมันไม่โตเพราะปลูกแล้วไม่รดน้ำก่อนที่จะนั่งสมาธิจนได้ผลนี่ก็ต้องปฏิบัติทั้งวันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาคร้บเป็นสมาธิแล้วก็อยากจะอุทิศก็ได้ เราไม่นิยมสอนให้อุทิศแบบนี้เพราะมันยากอเดี๋ยวคนเรา อ, อุทิศบุญตายไปซะก่อนกลับมาเกิดซะก่อนอะเพราะคนที่จะอุทิศบุญด้วยสมาธิยังไม่เคยได้สมาธิเลยแล้วจะเอาสมาธิที่ไหนไปอุทิศใช่ไม่มสวดมนต์ก็คิดว่าสวดแล้วได้บุญแล้วยังไม่ได้บุญที่เกิดจากการสวดก็คือจิตตั้งสงบรวมเป็นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าบุญ ถึงจะได้เอาผลบุญเกิดขึ้นแล้วเห็น้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปทำบุญซะทำทานทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำแล้วมันเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาก็อุทิศบุญไปเลยไม่ต้องให้มีพระมาสวดด้วยบางคนคิดว่าจะอุทิศบุญนี้ต้องมีพระมาสวดก่อนถึงจะอุทิศได้ ยิ่นพระก็ตายวันหนึ่งนั่งสวดให้โยมถ้ามาสิบคนมาถวายทานสิบครั้งก็ต้องสวดกันสิบครั้งะที่นี่เลยสวดหนเดียวให้พรหนเดียวพอยิ่งคนมาร้อยคนยิ่งต้องมาให้พรร้อยคนสมัยนี้พระก็โง่ไปอีกบินบาตไปใครใส่บาดก็ให้พรใครใส่บาดก็ให้พร ถ้าจะให้กันทุกคนก็บางทีเพจก็ยังไม่เสร็จ mm hmm. นะจะไหมหลายที่เราบินธบานี่วันหนึ่งอย่างน้อยคนต้องร้อยกว่าเกือบสองร้อยถ้าทุกคนขอพรเพื่อจะได้อุทิศบุญให้กับคนตาย mm hmm. ก็ไม่ต้องกลับวันอนะ่ะ <laughs> บุญอุทิศนี่ไม่ต้องไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวอ่ะเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับการทำบุญของเรา เราต้องทำบุญให้เกิดบุญขึ้นมาพอมีบุญแล้วเราก็อุดทิศได้ทันทีเลยตรงนั้นเลยใส่บาเศเสกแล้วเลึกกิตไปเลยขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบิดามารดาปูย่าตายายผู้ที่ร่วงลักไปแล้วหรือสัพภสัตทั้งหลายก็ว่าไปนี่ก็เสร็จลวไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีพระมาตั้งยะถาสัพพีอีกแล้วก็ไม่ต้องมารอรับพรพรก็ได้แล้ว ไดจากการกระทาของเราเนะี่ยเราทาความดีมันก็เป็นพรในตัวละก็อเราดีชั่วอยู่ที่การกระทาของเราเราจะสุขหรือจะเจริญนี่อยู่ที่การทาความดีไม่ได้อยู่ที่พระมาสวยขอให้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระรไม่ใช่สวดไปจนมันตายถ้าเราไม่ทำความดีมันก็ไม่ดีมันก็ไม่เจริญอานเจริญอยู่ที่การกระทาของเรา ความเสื่อมก็อยู่ที่การกระทําของเราทําบุญก็เจริญทําบาปก็เสื่อมใช่ไหมทําทบาปแล้วไปไหนติดคุกไหมพวกที่ไปติดคุกไปถามว่าดูก็ไปทำอะไรมาทําบาปทั้งนั้นะถึง <c oughs> ไปติดคุกกันคนที่ทําบุญก็ไปติดคุกกว็วบบนั้นเวลาทําบุญแล้วไม่ต้องรอให้พระให้พรกันอย่างนีนพรที่พระให้ก็เป็นเพียงแต่คําสรรเสริญ คำยกย่องการกระทําของเราท่านเองเพราะว่าทําอย่างนี้เอถึงจะเจริญได้จเจริญด้วยอายุวั น, นสุขะละนะอขอให้ทําไปเรื่อยๆอพูดให้กําลังใจแต่ไม่ได้ให้พรพรอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่ปากของพระ <c oughs> ในเวลาทําบุญเสร็จไม่ต้องรอรับพรกลับบ้านอยากจะกลับบ้านก็กลับไปเลย เวลาพระสวดก็ไม่ได้พรพรมันได้อยู่แล้วพรมัน ม, มันไม่ได้อยู่ที่การสวดถ้ามีต้าพระให้พรได้ก็ดีเลย mm hmm. ก็ให้พระไปอยู่สถานีวิทยุเลยให้พรมันทั่วประเทศเลยเราส่วนญาติโยมจะไปทำบาปทำกรรมก็ไม่เป็นไรเพราะได้พรแ่ะต้องจเจริญนะ mm hmm. ไปฆ่ากันไปไปฟันกันไปแข่งแย่งชิงดีกัน mm hmm. มีพรแล้วนี่ยพระให้พรแล้วเราต้องเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพะละล้านคุกได้เลยอย่างนี้ให้พระไปไปสวดที่คุกเลยไม่ดีจะได้ร้านคุกออกมาเลยอ่าพวกเธอเจริญนั่นนี่ยสุขเจริญนะไปออกจากคุกได้นะมันไม่ใช่อยู่ที่คาให้พรของใครอยู่ที่การกระทำํำแต่เรากระทาดีรับรองได้ไม่ต้องมีคุกคุกไม่มีหรอกถ้าทุกคนทําความดี ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายกันมีความเมตตาต่อกันถ้ามีความเมตตาโลกนี้ไม่มีคุกไม่มีตรางเพราะจะไม่มีใครเบียดเบียนกันนยไม่มีใครจองเวรจองกรรมกันมีแต่ส่อขอสมีแต่ส่งความสุขให้ต่อกันะกันมีแต่ความปรารถนาดีเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันดูแลกันไป ตามความสามารถถ้ามีเมตตาแล้วโลกนี้จะไม่ไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่ต้องมีเพราะไม่มีการทะเลาะว่าวิวาดกันอ๋อมีอะไรไม่เข้าใจก็ก็ปรับความเข้าใจกันขออาภัยกันคนทํำผิดก็ขออาภายัยคนที่ถูกทํำผิดก็ให้อาภายัยมันก็จบแค่นี้ นี่มันไม่ได้แผ่กันมันแผ่ผิดที่โลกมันถึงมีคุกตารางเต็มไปหมดเนี่ยมัแผ่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวลาเพสตาเวลาโหนตุขอให้ศาสตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่จงไม่มีเวรกันเถิดน้เป็นไงเอาปืนมาฆ่ากันทุกวันเนี่ยมีเวรกรรมกันหรือเปล่าคนสอนก็สอนไม่เป็นคน คนเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องพอกันอะสอนก็สอนให้โยมแผ่เมตตานั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตานะส่วนสัพเพสัตตาแผ่เมตตาแล้วไม่ได้แผ่ไอคนถูกสอนก็คิดว่ากําลังแผ่เมตตา<笑><笑><笑>ก็พอกันแล้วพอเจอกันก็เอาปืนมามีดมามาปันกันมายิงกันใช่ไหม แผ่เมตตาของพวกเราด้วยว่าเราแผ่ด้วยมีดแผ่ด้วยปืนกันมันต้องแผ่ด้วยความรักความเมตตาแปลว่าความรักแต่ไม่ได้รักแบบหนุ่มสาวรักกันรักแบบพ่อแม่กับลูกรักโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนรักเพื่อให้ให้เขามีความสุขไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากผู้รับ พการให้คนอื่นมีความสุขนี่มันทําให้เรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากเขาจากสิ่งที่เขาจะให้เราี่ยแผ่เมตตาไปเราจะมีความสุขนี่อา น, นิสงส์งของการแผ่เมตตาเราจะเจ้ากระแสดงไว้ว่าะจะมีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนยีคนที่ทําความ ช่วยเหลือคนอื่นนี่ยังมีใครเกลียดไหยไม่มีหรอกดูในหลวงมีใครเกลียดไหมเวลาท่านตายเนี่ยคนกี่ล้านคนเนี่ยในหลวงท่านแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ในวังท่านออกไปชนบทนู่นไปชายแดนไปถิ่นธุระกันดารไปช่วยเหลือชาวบ้านอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่ให้มีทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยอ น, นีขาโหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจในหลวงไปทำโครงการต่างๆแม้แต่วัดยานที่เราอยู่กันตรงนี้อ่างเก็บน้ำที่เผาที่เราผ่านมา น, นี่ก็โครงการของในหลวงบนเขานี่ก็โครงการของในหลวงให้รักษาสัตว์ป่าสัตว์ป่าเ้าก็เป็นสัตว์เหมือนกันเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกัน เมื่อก่อนก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็มีคนมาคอยฆ่ามาดักสัตว์มายิงสัตว์ตอนนี้เข้ามาไม่ได้ น, ะนี่แ่ะแผ่เมตตาแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้การแผ่แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็คิดไปอันนั้นเป็นการสอนเป็นการศึกษาให้เรารู้ว่าแล้ววิธีแผ่เมตตามีอะไรบ้างมีสี่ข้อไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกันให้พ้น ไม่ให้มีความให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าแผ่เมตตาผู้ที่แผ่เมตตาได้นี่จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตายไปก็ไปสู่สุคติไปสวรรค์นยหลวงนี่ไปสวรรค์1้อยเปอร์เซนเพียงแต่ว่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนเท่านั้นเอยก็เห็นท่านทำบาปท่านไม่ได้ทำบาปมีแต่ทำบุญ ปีหนึ่งทอยกระถินก็วัดหลวงนี่ก็ของในหลว ง, งกระถินหลวงเนี่ยวัดหลวงก็ไม่รู้กี่ร้อยวันนะ <c oughs> ปีหนึ่งท่าน ท, ท่านทำบุญไม่รู้กี่ตังค์ถึงแมอทำบาปบ้างก็อาจจะมันน้อยสู้บุญไม่ได้บุญทำมากกว่าเนี่รับรองได้ว่าเนี่ยผู้ที่มีความเมตตานี้ตายไปต้องไปสุคติ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับ ก, ก็มีความสุขเวลานอนหลับ ก, ก็ไม่ฝันร้ายเวลาตายก็ไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษไม่มีใครจะมาวางยาพิษไม่มีใครจะมายิงมาฆ่าเพราะไม่มีศัตรูคนที่มีความเมตตาไม่มีศัตรูให้อภัยไม่จองเวรแล้วจะมีศัตรูได้ไง ศัตรูมันเกิดจากการจองเวรกันพอเขาทำเราเราก็ทำเขาพอเราทำเขามิตรภาพที่เรามีอยู่ก็หายไปแม้แต่สามีภรรยาเคยเป็นมิตรกันยังมาฆ่ากันได้เลยเพราะไม่ให้อาภัยกันพอภรรยาหรือสามีทำอะไรผิดหน่อยก็โกรธด่ดาภรรยาก็เสียใจหรือสามีก็เสียใจแล้วก็ด่ากลับด่ากลั บ, ก, ลบก็เลยตีกับ เดี๋ยวก็ฆ่ากันเพราะไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาต้องให้อภัยขอโทษถ้าเราทำผิดก็ขอโทษถ้าเขาทำผิดก็ให้อภัยเขานี่คือเรานิสงประโยชน์ที่ได้รับจากการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วชีวิตจะมีความสุขหลับก็ไม่ฝันร้ายเตื่นก็มีความสุขนอนหลับก็ฝันก็มีความสุข สุขตลอดเวลาตายไปก็ไม่ไปอบายไปสุขคติเพรไม่ได้ทําบาปคนมีความเมตตาทําบาปไม่ได้ทําบาปไม่เป็นทำแต่บุญอย่างเด ah! <est> ียวทําแต่ความดีมีคําถามเข้ามายังมีครับอ่าคําถามแรกจากคุณสิริครับเมื่อตายแล้ววิญญาณขังที่ตาที่หูไปอยู่ที่ไหนและทําหน้าที่อย่างไรคร มันก็หดก็ไปในจิตเหมือนไฟฉายเวลาปิดไฟฉายไฟมันก็วิ่งกลับเข้าไปในหลอดแล้วหลอดนี้ก็จะไปหาหาหาไฟฉายตัวใหม่สมมติว่าไฟฉายที่ใช้ถ่านหมดใช้ไม่ได้ไม่มีถ่านหลอดไฟฉายก็ไปหาหลอดไฟฉายอันใหม่ที่มีมีถ่านพอไปเสียบปั๊บ ม, มันก็ติดพอได้ร่างกายวิญญาณมันก็ออกมาเกาะมาที่ตาหูจมูกลี้งกายหมแล้วก็มา ใช้ร่างกายรับลูกเสียงกลิ่นรสเข้ามาเสพเพราะใจเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดลูกเสียงกลิ่นรสผดทะพะแต่พวกเรานี่ติดเป็นยาเสพติดกันต้องดูต้องฟังต้องลิ้มรสดมกลิน่นถึงจะมีความสุขท้ายนั่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธรู้สึกอึดอดัดกันมาพอได้ดูหนังได้เล่นไพ่เนี่ยโอ้ยนั่งได้ทั้งคืน คอนั่งหลับตาพุทโธพุทโธเครียดขึ้นมาเลยเหมือนกับพวกที่ไม่มีเหมือนกับไม่ได้นมหายใจอย่าเงี้ยพวกเราลมหายใจของพวกเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้ฟังเพลงได้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยโอ้ยเพลิดเพิ น, พนดูได้ทั้งคืนพอให้นั่งสมาธิตั้งคืนนั่งไม่ได้นอนดีกว่าพระนั่งแล้วมันทอรมาน เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้ยาเสพติดมันไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ได้ตายมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่เอนนี้ไปไอตอนนั้นวิญญาณทั้งห้ามันก็กลับเข้ามาอยู่ที่จิตอยู่ในตัวจิตแล้วเดี๋ยวพอมันได้ร่างกายอันใหม่มันก็เอาไปเกาะใหม่ส่งวิญญาณทางไปเกาะที่ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสใหม่พอเห็นรูปก็ดีใจแฮปปี้ขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่ชอบก็แฮปปี้คำถามต่อไปจากคุณเจเจครับมีจติแต่เวลานั่งสมาธิแบบท่องน้ำมตูตสะก็ไม่เกิดสมาธิควรปฏิบัติอย่างไรดีครับถ้าจะให้มันได้สมาธิมันต้องนั่งแล้วก็เพ่ง ดูอาการอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกอย่าไปบังคับลมอย่าไปอย่าไปสั่งลมเช่นให้หายใจลึกๆยาวๆไม่ต้องลมมันหายใจให้ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับเขาเพียงแต่เฝ้าดูเขาเท่านั้นเอง ให้ดูจะได้มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้านั่งดูแล้วไปคิดก็อย่าไปดูให้เสียเวลานั่งดูเพื่อไม่ให้คิดถ้ายังคิดอยู่มันก็จะไม่นิ่งใจจะนิ่งสงบเป็นสมาธิต้องหยุดคิดจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้เช่นลมหายใจให้เฝ้าดูลมหายใจอย่าไปสนใจกับความคิดให้รู้เคาว่าตอนนี้ลมกาลังเข้าตอนนี้ลมกาลังออก ดูตรงจุดเดียวตรงที่ลมมันสัมผัสเข้าออกมันมีทางเข้าทางออกเหมือนประตูใช่ไหอประตูของลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ปลายจมูกก็นั่งดูตรงประตูนั่นแหละลมเข้าก็ดูตรงนั้นลมออกก็ดูตรงนั้นอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาแล้วอยากคิดลมจะสั้นก็อย่าไปบังคับให้มันยาวลมยาวก็อย่าไปบังคับให้มันสั้น มันยาวก็ปล่อยมันยาวมันสั้นก็ปล่อยมันสั้นมันหยาบก็ปล่อยมันหยาบมันละเอียดก็ปล่อยมันละเอียดไปเพียงแต่ดูไปเฉยๆเท่นนเเพื่อไม่ให้ไปคิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรได้เดี๋ยวจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนตกหลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วก็นิ่งทีนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วลมก็หายไปเนื้อแต่ผู้รู้ผู้รู้ก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสุข เรียกว่าสมาธิคำถามต่อไปจะทาง YouTube นะครับจากคุณลำใหญ่ครับดิฉันอยู่วัดป่าช่วยงานวัดเป็นประจำทำอาหารถวายพระแต่ไม่เคยตักบาทย่าจะได้รับส่วนบุญและจะได้กินจะได้มีกินใหมายั้งในพบต่อๆไปเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ใส่บาทมันก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้แบไม่ได้เสียสละเงินทองข้าวของเราเร า, เราก็จะไม่มีเงินทองข้าวของแต่เราจะได้อย่างอื่น ถ้าเราไปช่วยงานเขาเราก็เราก็จะมีคนมาช่วยเราช่วยงานเราในอนาคตยทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นถ้าไปช่วยเหลือเขาก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราถ้าเราให้ของเขาก็จะมีคนให้ของเราเห็นถ้าอยากจะมีทรัพย์ในพบหน้าชาติหน้าก็ต้องบริจาคทรัพย์เหมือนเหมือนการเอาเงินไปฝากไว้ธนาคารเวลาต้องการใช้เงินก็ไปเบิกได้ ทรัพย์ที่เราเอาไปทำบุญเนี่ยเหมือนเราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญพอชาตินากลับมาเกิดเราก็จะมีทรัพย์เราเราอยู่เราจะมีมากกว่าที่เราทำเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยด้วยกว่าจะกลับมาเกิดอาจจะเป็นหลายร้อยปีดอกเบีย้ยมันอาจจะมากกว่าต้นนี่นี่คือถ้าอยากจะได้ทรัพย์ก็ต้องเสียสละทรัพย์ เราอยากจะให้คนมาคอยดูแลช่วยเหลือเราเราก็ต้องคอยดูแลช่วยเหลือผู้อื่นอืทําอะไรก็ได้อย่างนั้นคํถาถามต่อไปจากคุณทวีศักดิ์ครับถ้าการนั่งภาวนาจะต้องเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทุกครั้งใหมครับเราจะเริ่มต้นด้วยการนั่งภาวนาเลยได้ไหมครับได้ไม่จําเป็นคือคนที่เข้าสวดเพราะว่าหนึ่งเขานั่งไม่ได้นั่งแล้วจิตยังฟุ้งอยู่ ก็เลยใช้การสวดมนต์มากล่อมจิตก่อนให้มันหายฟุ้งก่อนเพระถ้าเราสวดไปนานๆแล้วมันก็จิตมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรพอไม่คิดอะไรเราก็นั่งดูลมได้ดูนั่งนั่งพุทโธได้แล้วจิตก็จะสงบได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดถ้าเรานั่งแล้วรู้สึกเปึดอัด น, นี่แสดงว่าจิตยังฟุ้งอยู่ยังไม่ยอมสงบยังไม่สงบพอที่จะ นั่งได้เขาก็เลยให้สวดมนต์ไปก่อนให้สวดมนต์ไปจนกระทั่งรู้สึกหายอืดอัดแล้วค่อยนั่งต่อไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนภัสวรรค์ครับนภัสวรรค์ครับปรวดน้ําใช้การคิดเอาได้ไหมคะจําเป็นต้องใช้น้ําเป็นสื่อหรือไม่คะไม่ต้องนะเมื่อกี้ก็พูดแล้วน้ํานี้เป็นเพียงแต่หนังตัวเป็นตัวอย่างเป็นเหมือนการะตูน่ะ ทีพูดอะไรให้เด็กฟังไม่เข้าใจเลยวาดภาพให้เห็นว่าบุญนี่เป็นเหมือนน้ำนะเวลาอุทิศบุญก็เหมือนเทน้ำน้ำก็ไปเวลาเราคิดอุทิศว่าขออุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ความคิดนี้ก็ส่งความสุขที่เรามีอยู่ไปคนรับที่เขารอรับเขาก็จะรับได้คำถามต่อไปจากคุณธงชัยครับ สวดมนต์ในใจไม่พูดออกเสียงกับสวดมนต์ออกเสียงอ น, นิสงส์ต่างกันไหมคะและทําอย่างไรจึงจะถูกเจ้าคะสวดไม่ออกเสียงจะดีกว่าเพราะจิตจะได้ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องใช้ร่างกายให้ทํางานแล้วก็จะไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาถ้ามาอยู่วัดปฏิบัตินี้เวลาสวดมนต์เขาไม่ให้ออกเสียงะเลยแล้วคนอื่นก็นั่งสมาธิแล้วจะไปรบกวนเสียง เวลาสวนในใจได้มันดีกว่าเหมือนกับภาวนาเหมือนกับเหมือนกับพุทโธเนี่ยเหมือนเขาบางคนเขาเข้าใจผิดกันว่าต้องสวดดังๆเทวดาจะได้ยนินเราไม่ได้สวดให้เท ว, วดาฟังลเลยเราสวดเพื่อทําให้ใจเรามีสติทำทำให้ใจเราสงบบางคนเขาต้องสวดดังๆเทวดาจะได้ยินเทวดามันจะฟังเสียงสวดเราไปทําอะไร เทวดามันก็สวยก็มาเองได้ใช่ไหมคำถามต่อไปจากคุณกัญญาพรครับโยมเกิดเวทนาอย่างมากจากร่างกายที่เจ็บปวดพยายามคิดว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันแต่ไม่สามารถระ ง, งับความเจ็บปวดลงได้ขอคําแนะนําเจ้าค่ะโ อ, อความเจ็บปวดเราไม่ระ ง, งับมันไม่ได้แต่เราระ ง, งับความทรมานได้ความทรมานมันเกิดจากความอยากของใจอยากให้ความเจ็บปวดหายไป ยิ่งอยากยิ่งทรมานใหญ่ถ้าทาใจให้เป็นอุเบกขาเฉยๆไม่ไปอยากให้มันให้ไม่อยากไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปใจจะไม่ทรมานแล้วความเจ็บของทางร่างกายนี้จะรู้สึกว่าไม่รุนแรงที่รุนแรงมันไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายแต่ความทรมานใจที่เกิดจากความความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือกลัวความเจ็บ ยังไม่ทันฉีดยาเลยหมอบอกจะฉีดยา้าใถ้าเข็มนึงใจมันไปแล้วใจมันเจ็บไปก่อนนะถ้ามันใจมีอุเบกขาใจก็จะเฉยเหมอจะฉีดก็ฉีดไปใจไม่ต้องหัดทำใจให้เฉยเนะี่ยทำสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกทำใจให้เฉยให้เป็นอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขามีสมาธิแล้วจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายอยู่กับมันได้ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณโอกาวะครับแม่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลและมีญาติและคนที่รู้จักมาเยี่ยมทุกครั้งที่มาเยี่ยมจะมีของฝากมาผมกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าของที่เขาเอามาเยี่ยมแม่ผมผมสามารถนำไปใส่บาดพระหรือแจกผู้ป่วย ข, ข้างๆห้องได้ไหมครับอยู่ที่ว่าเป็นของใครถ้าของเราเราก็เอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเป็นของแม่ก็ต้องขออนุญาตแม่ก่อน คำถามต่อไปจากคุณภาวดีครับอยากถามว่าการบริจาค ก, ก, การบริจาคค่ะพระเวสสันดรบริจาคหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแม้กระทั่งลูกแต่การบริจาคนั้นให้คนอื่นเป็นทุกข์แบบพระกันหาชาลีค่ะจะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นกรรมของการหาชาลีเพราะว่าตอนที่บริจาคท่านก็คิดว่าเด็กมันจะมีความสุขกว่าอยู่ของท่านท่านก็เลยบริจาคไป ท่านไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงดูมันอย่างดีแล้วมีคนมาอาสาสมัครจะเอาไปเลี้ยงให้ท่านก็เลยเอาไปเลี้ยงท่านก็เลยให้ไปทีให้ไปแล้วไอ้คนที่มาขอมันมาหลอกมาโกหกว่าจะไปเลี้ยงอย่างดีพอไปแล้วก็เอาไปไปทำร้ายเขาเอย่างเงี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเด็กไปคำถามต่อไปจากคุณเปาครับ พระอรหันยังคงนั่งสมาธิหรือไม่หรือใช้แค่สติกับปัญญาคะท่านจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้แล้วแต่เพราะว่าการนั่งมันมีสองแบบนี่ยนั่งเพื่อฆ่ากิเลสนั่งเพื่อพักผ่อนจิตใจพระอรหนถ้าท่านนั่งท่านนั่งเพื่อพักผ่อนจิตใจถ้าไม่ได้นั่งเพื่อฆ่ากิเลสท่านจะนั่งไม่นั่งกิเลสมันก็ไม่มีแต่พวกที่มีกิเลสนี้ต้องนั่ง ก็ S <S จะได้ฆ่ากิเลสได้คือนะการนั่งมันฆ่าไม่ได้แต่มันทําให้กําลังของกิเลสมันอ่อนลงแล้วพอจะได้ใช้ปัญญามาฆ่ามันอีกทีนึงได้คำถามต่อไปจะกคนเปล่าครับถ้าไม่ทําถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินทำบุญทําทานนะสิครับเ ว, เวลาจะทําบุญไม่มีเงินขึ้นมาเวลาไปเที่ยวทําไมมีขึ้นมาวะ อ่พาพอจะทําบุญสักสิบบาทเนี่ยเงินหายไปหมดเลยพอไปซื้อเหล้ามาสักควดนั้ไปเที่ยว น, นี่ไม่รู้มาจากไหนข้าอะไรมาไม่มีเงินทําบุญจริงๆริงหรือเปล่าคะับการทำต่อไปจากคุณสมศักดิ์ครับกายหยาบกายละเอียดคืออะไรครับทําได้ทุกคนไหมครับกายหยาบมันจะหมายถึงร่างกายกายละเอียดก็คือใจเรียกว่ากายทิพมองไม่เห็นเห็นแต่กายหยาบ ใจที่ละเอียดกายคือกายทิพย์ก็เรียกกายละเอียดคำถามต่อไปจากคุณสุมเมศครับการกําหนดจิตเช่นไรถึงการกําหนดจิตเช่นไรถึงเป็นสติการกําหนดจิตเช่นไรถึงเป็นมหาสติครับออการกําหนดจิตก็คือให้อยู่กับพุทโธเนี่ยเรียกว่าสติถ้าเป็นมหาสติก็พุทโธไม่ไม่เผลอไม่ลืมแล้วพุทโธตลอดเวลาก็เป็นมหาสติ แต่ถ้าสติสองสามคำแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็โผงมาใหม่อย่างนี้ยังไม่เป็นมหาสติถ้าเป็นมหาสตินี่มันจะต่อเนื่องตลอดเวลาคํถามคถามต่อไปจากคุณตูนครับฝากเงินร่วมถวายอาหารพระในช่วงเข้าพรรษากับเพื่อนที่เป็นคนทมจะได้บุญไหมคะได้ถ้าเข้าไปทํารัคคาถามต่อไปจากคุณชัดชวานครับ การบังกุงใจที่ดีที่สุดคือทําอย่างไรครับก็ทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นวิธีบังกลุงจิตใจให้มีความสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำบุญทําทานตามกําลังของเรารักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปคําถามต่อไปจากคุณนางครับอยากถามว่าเวลาให้ทานกับพระแล้วใจไม่ได้คิดกับสิ่งที่ให้ทานไปแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ยึดติดไหมครับพระอาจารย์ ให้แล้วก็ให้แล้วไปเลยอย่าไปถามไปคิดว่าพระเจ้าไปทําอะไรต่อจะไปกินหมดไหมที่เหลือจะไปให้ใครเดี๋ยวต้องมานั่งเฝ้าดูบางคนถวายของแล้วก็นั่งรอดูพระจะฉันของเขาปะถ้าไม่ฉันก็เสียใจอย่างนี้แทนที่จะได้บุญก็เลยได้ความเสียใจไปแทนบุญก็ได้แต่มันก็ได้ความเสียใจแถมมาด้วยถ้าไม่อยากจะได้ความเสียใจให้เวลาก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้ว เป็นของเขาแล้วเขาจะเอาไปกินเอาไปให้คนอื่นก็ไม่เป็นเรื่องของเขาแล้วคาถา ม, ถามจากปายคุณชีเอพครับแต่ระชั้นของสวรรค์จะสัมพันธ์กับความเป็นอริยะบุคคลอย่างไรบ้างครับออสวรรค์มันมีหลายระดับเนี่ยสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็มีสวรรค์พระอริยสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นสวรรค์ชั่วคราวคือได้แล้วเดี๋ยวเสื่อม เดี๋ยวกลับมาไปเป็นเทพแล้วพอบุญหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดใหม่เป็นพรหมก็เหมือนกันเป็นพรหมก็เสื่อมลงมาเป็นเทพอยากเทพก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้านี้เป็นแล้วจะไม่กลับมาถ้ากลับมาก็ไม่เกินเจ็ดชาสาหรับขั้นแรกเป็นพระโสดาบันนี่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชา ถ้าขั้นที่สองพระสะกิร ด, ดาคารีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เอกชาติเดียวถ้าขั้นที่สามพานาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเป็นไปเป็นพรหมไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเป็นพาอาหาันก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นอะไรต่อไปจะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเดียว้งถามต่อไปจากคุณเจี๊ยบครับ เมื่อนั่งสมาธินิ่งสงบแล้วซักสบนาทีจะต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะปกติก็จะถอนออกมาส่วนใหญ่จะนั่งก่อนจะหลับเวลากลางคืนค่ะเมื่อนั่งแล้วก็หลับสนิทไม่มีความฝันอะไรออบางครั้งจิตก็จะฟุ้งบ้างสงบนิ่งเฉยบ้างก็นิ่งถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไปนั่งเพิ่มจากครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงนั่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเป็นเหมือนกับเอา เอาเงินเอาทองเข้ามาเก็บไว้ในบ้านเราสมาธินี่เป็นเหมือนทรัพย์ภายในทำให้จิตใจเรามีความสุขมากถ้าสุขครึ่งชั่วโมงกับสุขสองชั่วโมงมันต่างกันถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งนั่งให้มากอย่าไปเที่ยวอย่าไปกินอย่าไปดื่มความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ยิ่นนั่งได้เท่าไหร่นั่งไป ถ้าทนไม่ไหวก็ออกมาเปลี่ยนเนริยาบทพอหายเมื่อยหายแะ้วก็กลับไปนั่งใหม่เวลาออกมาก็คอยควบคุมใจอย่าให้คิดปุงแต่งให้พุทโธพุทโธไปเหมือนกับตอนที่นั่งทางนี้บ่อยๆทำจนกระทั่งชนานาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการออกมาก็เย็นสงบพอหายสงบก็เข้าไปทำอย่างนี้ไป ต่อไปเราจะมีความสุขทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรเอาสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าเพราะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปร่างกายแก่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยังหาความสุขได้ร่างกายตายก็ยังหาความสุขได้คาถามต่อไปจากคุณแม่กริครับ นั่งสมาธิแล้วเหมือนมีแมลงมาไต่ตามตัวแต่ก็รู้สึกสงบดีนะคะทำไมถึงเหมือนมีอะไรไต่คะบางทีจิตมันร้อนมันหลอกเรามันมันคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาบางทีก็รู้สึกแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ขึ้นมามันเป็นอารมณ์ที่จิตปรุงแต่งเพราะมันไม่ชอบมันชอบมันไม่ชอบอยู่เฉย พออยู่เฉยๆแล้วมันจะผลิตอ า, อารมณ์มาคอยรบกวนเราเราก็อย่าไปสนใจมันให้รู้ว่ามันเป็นมายาเป็นเหมือนควันมันไม่มันไม่มีสาระอะไรเราก็พุโทโธของเราต่อไปดูลมของเราต่อไปถ้าไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็จางหายไปคาถามต่อไปจากคุณราครับพระอาจารย์ช่วยอธิบายจิตและวิญญาณเกิดมา เกิดแล้วมาจากไหนครับ อ, อ๋อคือตัวจิตนี้คือตัวที่เป็นผู้ที่มามาครอบครองร่างกายจิตนี้คือผู้รู้ผู้คิดบางทีก็เรียกว่าจิตบางทีเรียกเรียกว่าใจเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ขณะนี้ผู้ที่กำลังได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายเป็นผู้รับเสียงแต่ไม่ได้ยินเสียงร่างกายเป็นเหมือนไมโครโฟน่ไมโครโฟนมันรับเสียงแต่ไม่ได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินเสียงก็คือใจเสียงเข้าไปในหูแล้วก็ส่งไปที่ใจอีกทีหนึง่งร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนกับเป็นไมโครโฟนปากก็เป็นเหมือนเหมือนลาโพงเนี่ยพูดออกมาเป็นเสียงออกมา ร่างกายไม่รู้เสียงไม่รู้ว่ากําลังพูดอะไรผู้ที่รู้คือคือใจผู้ที่คิดก็คือใจคิดให้พูดอย่างนั้นพูดนี้ก็พูดออกมาพอได้ยินเสียงก็รู้ว่าเขาเขาว่าอะไรก็พูดอะไรก็เลยโตอตอบโต้กันได้ผู้ที่ตอบโต้กันกนี้คือใจร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือเราติดต่อกับคนนู้นเขาก็มีมือถือเราก็มีมือถือน มือถือก็ติดต่อกันแต่เราเป็นคนสั่งให้มือถือเราเป็นคนพูดตัวมือถือมันเพียงแต่เป็นผู้รับคำพูดของเราส่งไปให้กับมือถือเครื่องหนึ่งมือถือเครื่องหนึ่งก็ก็ออกเสียงให้คนที่เป็นถือมือถือได้ยินเสียงนี่ร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็คือใจคือจิตนี่คือชีวิตของเรามีสองส่วน มีร่างกายกับมีจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนมือถือเสียพอามือถือเสียทำไงก็ไปซื้อเครื่องใหม่ใช่าะพอเรายังอยากจะติดต่อกับมือถือเครื่องอื่นอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราทำไงก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอเรายังอยากจะมาติดต่อกับคนนั้นคนนี้ต่ อ, อก็ไปซื้อร่างกายอันใหม่ไปรอคลิกเข้าคิว ถ้ามีร่างกายของใครถึงคิวเราแล้วก็รับแเราก็ได้ร่างกายพอเก้าเดือนก็ออกมาจากท้องถ้าคิวไม่ดีอาจจะได้ร่างกายของสุนัขของแมวถ้าไปทำบาปมาแต่ก็ร่างกายของแมวของแมวก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันแต่ความสามารถต่างกันมนุษย์นี้มีความสามารถมากกว่ากาสัตว์เนี่ย อันนี้คือเรื่องของจิตใจพอไม่มีเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจิตใจว่าเป็นวดวงวิญญาณไปตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเหมือนผู้หญิงเ่ยตอนเป็นเด็กก็เรียกเด็กหญิงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เรียกเป็นนางสาวพอมีสามีก็เรียกว่านางเปลี่ยนชื่อตามสถานภาพตอนที่อยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจพอไม่มีร่างกายก็เรียกว่าดวงวิญญาณ แล้วถามว่าจิตใจมาจากไหนไม่มีใครรู้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าก็พยายามค้นหาที่มาของมันก็หาไม่เจอ mm. ก็เลยเห็นว่ามันไม่สําคัญมันจะมาจากไหนไม่สําคัญตอนนี้สําคัญอยู่นี้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์เท่านั้นเองมันทุกข์รู้จักวิธีดับทุกข์หรือเปล่าเนี่ย mm. พระพุทธเจ้าสอนกันเนี้สอนให้เรามารู้จักวิธีดับทุกข์เพราะถ้ามันสุขก็ไม่มีปัญหาอะไร ที่เรามาวัดกันในพ่ออะไรเพราะมันทุกข์เนี่ยเราคลิปมาหาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้สอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราพอไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรความสุขนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วถ้าสุขใช่ไหมแต่เวลาทุกข์นี่บ b u กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะก็ต้องหาต้องมาศึกษาวิธีทํำยังไงให้ไม่มีความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็มา ปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาแล้วต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มีอยู่ในใจให้รู้แค่นี้พออย่าไปสนใจว่าจิตมันมาจากที่ไหนเริ่มต้นเมื่อไหร่เพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนวงกลมเนี่ยคุณไปหาจุดเริ่มต้นของวงกลมไหมว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกันหมดจิตนี้มันอาจจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ของมันมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วเวียนอยู่ในวงกลมเนี่ย ไม่สําคัญมันมาจากไหนไม่สําคัญสําคัญว่ามันสุขหรือมันทุกข์เท่านั้นเองถ้ามันทุกข์รู้จักวิธีดับทุกข์ได้หรือเปล่าท่านนี้แหละพอเพราะว่าถ้ามันดับทุกข์ได้นะมันไม่สําคัญมันไม่สนใจมันจะมาจากไหนหรือมาหรือเป็นของใครมาจากไหนมาได้อย่างไรไม่มีมันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่เวลามันทุกข์ดับมันได้หรือเปล่านิพพานอยู่ในจิตไหมครับพระอาจารย์ นิพพานก็คือตัวจิตที่ไม่มีความทุกข์แล้วเราเปลี่ยนชื่อมันอีกทีหนึ่งเปลี่ยนชื่อจากดวงวิญญาณเป็นนิพานนพานไปนั่นเองนิพพานก็คือดวงดวงจิตที่ไม่มีความทุกข์เพราะว่าตัวที่ทําให้ความทุกข์ถูกกําจัดด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาทําให้จิตบรสะอาดบริสุทธิ์จิตที่สาบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากต่างๆเราก็เรียกว่านิพพาน พอไม่ไปเกิดอีกแล้วเพราะไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะว่าไม่มีความอยากที่จะมีอะไรก็เลยไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากริ่มนวดนมกลิ่นอยากสัมผัสกับอะไรก็เลยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดใหม่ท่ามต่อไปจะคุณมณีการครับจำเป็นหม่คพรับที่จะต้องไปทำบุญต่างประเทศและบุญที่จะได้ มากน้อยแตกกันอย่างไรครับบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ว่ามีผู้รับหรือเปล่าการทําบุญไปต่างประเทศไ ม, ไม่ไม่ทราบหมายความว่าไงหมายถึงไปประเทศอินเดียเหรอครับคือเขียนว่าไปทําบุญต่างประเทศเลยครับทําบุญที่ไหนก็ได้ขอให้มีคนรับทําก็ขอทานก็ได้ขอทานมาขอเงินที่หน้าบ้านเราเราก็ให้เขาเราก็ได้บุญแล้วพามาบินธบาตเราใส่บาทเราก็ได้บุญแล้ว เราไปหน้าวัดยานมีคนเขาขายปลาให้ไปปล่อยอนะอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาก็ซื้อนกปลาไปปล่อยแล้วก็ได้บุญแล้วคือบุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมันก็ทําให้เราได้บุญแล้วถ้าหมายถึงว่าการไปต่างประเทศเพื่อจะได้บุญจากการไปสังเวชนิยาสถานนี่มันก็ได้สําหรับคนใน ที่ยังไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนายังนังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาหรือเป็นเรื่องจริงถ้าพวกนี้ไปเที่ยวอินเดียไปเห็นที่เกิดเห็นที่ตัดสั้นรู้เห็นที่นิพพานก็อาจจะเชื่อขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงเป็นคนจริงเคยเคยมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาปฏิบัติมาตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็จะเสริมศรัทธาของคนที่ไม่เชื่อคนที่ยังสงสัยอว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าว่ามีจริงจะได้หายสงสัยจะได้เชื่อจะได้ทำทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนได้ว่ามีจริงคนสอนมีจริงแล้วสิ่งที่สอนมันก็ต้องเป็นของจริงทําบุญทําดีแล้วต้องได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการที่ได้ไป ไปถึงประเทศอินเดียไปทําบุญต่างประเทศเนี่ยแต่ถ้าเราเชื่ออยู่แล้วก็ไม่เห็นต้องไปถ้าเราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงทําบุญทําดีแล้วได้ดีทําบุญแล้วได้ไปสวรรค์ทํำบาปแล้วไปนรกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณกำมณทิทครับปล่อยปลาถือว่าเป็นบุญไหมคะก็เหมือนเราถ้าเราเป็นนักโทษแล้วก็ปล่อยเราออกมาจากคุกนี้เราจะรู้สึกยังไงเนี่ย ปามันก็เหมือนถูกจากถูกขังอยู่ในคุกพอเราก็ไปปล่อยเขาให้ไปอยู่ตามอิสระของเขาเขาก็มีความสุขพอเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขความสุขก็คือบุญคำถามต่อไปจากคุณอ้อมนะครับจิตดูจิตต้องทำยังไงคะก็นี่แหละตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูจิตตอนนี้ขั้นต้นต้องหยุดจิตก่อนก่อนจะดูจิตได้ต้องหยุดจิตก่อน หยุดจิตด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธคืออย่าปล่อยให้ใจอย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต้องรู้จักหยุดจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวเวลามันไปทําบาปก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโลภก็หยุดมันไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าดูแล้วไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เหมือนขับรถเนี่ยขับไปดูรถไปขับไปแต่ไม่มีเบรก ก็อย่าไปขับเลยเดี๋ยวถึงเวลาจะต้องถึงสี่แยกไฟแดงจะหยุดก็หยุดไม่ได้ยันต้องติดเบรกให้กับรถก่อนก่อนที่จะขับรถก่อนที่จะพารถไปไหนมาไหนได้ต้องต้องมีเบรกก่อนถ้าคุณรู้ว่าเบรกเสียคุณกล้าขับรถไหยไม่กล้าใช่ไหอแต่ทําไมคุณกล้าปล่อยให้จิตของคุณไปไหนมาไหนคิดได้เรื่อยเปื่อย <laughs> พอโกรธก็ปล่อยมันโกรธเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ร้องห h o ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเอ เพราะว่าไม่มีเบรกหยุดมันถ้ามีเบรกหยุดมันพอโกรธก็หยุดมันซะมันก็หายโกรธพอโลภก็หยุดมันมันก็หายโลภเพราะเวลาโกรธมันทุกข์เวลาโลภก็ทุกข์เราอยากได้อะไรนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระวลกระวายกระสับกระส่ายพอหยุดความโลภได้ความทุกข์ก็หายไปดังนั้นก่อนที่จะดูจิตได้ต้องมาหยุดจิตให้เป็นก่อนหยุดจิตด้วยพุโทโธหยุดความคิด อย่าปล่อยมันคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดถ้าจําเป็นคิดก็คิดได้เรื่องจําเป็นมันมี ม, ม, ม, ม, มีไม่มากหรอกแป๊บเดียววันนี้จะทําอะไรแค่นี้ก็คิดเสร็จแล้ะจะไปทํางานมีธุระ ต, ต้องติดต่อกับใครอพอรู้แค่นี้ก็หยุดคิดละแล้วก็ไปทําสิ่งที่เราต้องไปทําแต่เวลาทําถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าไปคิดอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวไม่ต้องคิดเลยกินไปเย็ยเวลากินก็กินไป อาบน้ำก็อาบไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปอันนี้มันแต่งไปก็คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั่นคิดถึงเรื่องนี้คิดไปแล้วก็ไม่สบายใจขึ้นมาอยากไปคิดหยุดการคิดแล้วต่อไปเวลามันคิดเรื่องที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราจะได้หยุดมันพอคิดแล้วเราไม่สบายใจก็ไม่คิดดีกว่าหยุดมันดีกว่าความไม่สบายใจก็จะหายไปงนั้นก่อนที่เราจะดูจิตเราต้องหยุดจิตให้เป็นก่อน ึงต้องมีสติสร้างสติขึ้นมาสติเป็นเบรกของจิตเบรคมีสติแล้วพอจิตคิดไม่ดีก็หยุดมันคิดแล้วไม่สบายใจก็หยุดมันบางคนหยุดไม่ได้มันนอนไม่หลับคิดทั้งคืนเลยพอมีเรื่องมีราเข้ามาในจิตนี่โอ้คิดห่วงหน้าห่วงหลังกังวลกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเนะพราะไม่มีไม่มีเบรกไม่มีสติที่จะหยุดมัน ยังต้องมีมาสร้างเบรกก่อนแล้วค่อยมาดูจิตอีกทีหนึง่งดูว่ามันคิดไปในทางไหนคิดไปในทางที่ดีก็ส่งเสริมเออเอาไปเลยคิดอยากจะทำบุญไปเลยอยากจะไปปฏิบททัติธรรมไปเลยแต่จ ะ, จะคิดว่าอยากจะไปมีเมียน้อยก็ต้องหยุดมันอยากจะมีผัวน้อยก็ต้องหยุดมันอะไรอย่างนีอย่าปล่อยให้มันไปทาว่าเดี๋ยวเกิดจะเกิดเรื่องขึ้นมาเอาแล้วนะเดี๋ยวขอพักเรื่องถามปัญหาไว้ชวนชวน ช่วงขาวก่อนเดี๋ยวจะมีอีกช่วงหนึ่งตอนนี้ขอทำหน้าที่ให้พรก่อนเดี๋ยวคนที่จะร อ, อรับพรจะไม่ได้กลับบ้านยะถ า, าวาเลวะ า, าปุราปาเปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุ ป, ปกปะปติอิชิตังปัติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพบรังตุสังกะปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัะพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโภพวะ อาพิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้ทางเฟ c บุ o o สี่ร้ยสี่สิบคนครัทางยูท t u เก้าสิบห้าคนครับเต็มเตยมเลยนะเต็มที่กดเลย ยังมีทางเคเบิลทางพัะมีทุกวันอยูย่ทุกวันอยู่ครับใครมีเคเบิลติดตามได้ช่องหนึ่ง<ม>บางนมุงเคเบิลเอาบริการแถานาเกลืออาจารย์หยิบหนันนงสือได้นะใหนังสือเล่มใหม่ปฏิปทาพระธุดงค์เนี่ยเป็นหนังสือวิธีปฏิบัติของพ<ม>ระเล่มใหญ่เนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเนี่ยน้องอ่าน ปฏิปทาพระทุดงกรรมาฐานเนี่ยจะได้รู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นยังไงในกานมาฟังแล้วเข้าใจไหมดีขึ้นมมีความสุขมากขึ้นนะความทุกข์น้อยลงัอยู่กับความทุกข์อ่ะอยู่กับเงินทองอยู่กับความทุกข์ห่วงเงินห่วงทองห่วงหางเงินหาทอง เงินทองแทนที่จะให้ความสุขกับเรากับทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่รู้จักประมาณ <Okay. S 1> เงินทองมีไว้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ <Okay. S 1> อยากจะมีความสุขมากกว่า น, นี้มันไม่ได้จากเงินทองมัน <Okay. S 1> ไดจากการปฏิบัติธรรมทำบุญทาทานรักษาีลภาวนาเก <Okay. S 1> ็บได้ทุกเล่มนละยถ้าต้องการจะไปอ่าน <Okay. S 1> ถ้าไปบูชาก็หย่าไป ส้ือเอาไว้อ่านไม่ได้เอาไว้ตั้งบนไว้บนหินไม่เกิดประโยชน์ก็ขอภัยทางบ้านที่ติดตามก็พอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้ท่านเอานำไปพินิพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน